ต่อไปเข้าถึงความบริสุทธิ์เราก็ นั่นการที่จะทําสิ่งใดบ้างใจของ ต่างกว่าสิ่งเลวร้ายมาเปื้อนกายวาจานะ <c oughs> เราเจ็บป่วยเป็นโลกร้ายเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายเราบริโภคยา มันก็รักษาโรคเราให้หายไปไม่ได้นั้น <c oughs> หรือว่าโรคร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นทางใจของเราเท่า เรางดใจของเราก็ไม่สงบมันไม่ได้เราได้ผิดสินข้อไหนบ้างพูดผิดไปอย่างไรบ้าง เรเราก็สํารวจดูนะเมื่อเราสํารวจดูอย่างนี้เราก็จะ <c oughs> เราก็คิดว่าเราจะไม่พูดอย่างนั้นอย่าไม่ทําอย่างนั้นนะนะเมื่อเราสํารวมระวังดี พุทโธโดยการที่เราระลึกถึงลมหายใจเข้าออกการ อันร่างกายของเรานั้นมันก็ทําให้เราได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานจนถึงสิ้นชีวิต เราไม่รักษามันเราปล่อยให้มันเจริญๆไปทั่วจิตใจของเราก็ทําเออ การที่เราเสพบรมหรือว่าดื่มยาบรมกรรมฐานคือการ โรคเราก็ต้องดื่มทางจิตใจจิตใจเนี่ยเราก็ต้องดื่มทางจิตใจคือเสพเสพธรรมโอสถเมื่อเรารักษาโรคทางกาย ดื่มยาทางใจก็คือการส่องเสพนั้น เมื่อโรคร้ายคือกิเลสเรานี้สงบระงับลงไปเนี่ยใจเราก็หมดความทุกข์ โรคนี้คืออะไรมันเป็นมะเร็งร้ายที่ต่างๆขยายไปทั่วจิตใจของเรานี้ถ้าเราไม่ผ่าตัดมันออกไม่ตัดเนื้อร้ายเหล่านั้นทิ้งไม่ตัดอารมณ์ร้ายเหล่านั้นทิ้งออกไปจากใจของเราอารมณ์ร้ายจะแพร่ขยาย อ่าทําให้จิตใจของเรานั้นอย่าที่จะรักษามัน มันก็ทําให้ส่วนอื่นๆของร่างกายเราต้องถูก สมถะวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองนะคือตัดตัดส่วนที่มันเป็นโทษ <c oughs> เมื่อเห็นทางจิตมันเงินความทุกข์ทรมานมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอ่าเรา เราต้องพยายามสํารวจเนื้อร้ายหรือว่าสิ่งชั่วๆที่เกิดขึ้นทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจของเราว่าวันนี้สิ่งชั่วร้ายมันเกิดขึ้นกับ <c oughs> เรเราก็สํารวจดูสิ่งชั่วร้ายอ่าพอสํารวจมันพบแล้วเนี่ยตํารวจพบแล้วว่าพูดวันนี้เราทําผิดตรงนั้น อ่าเหล่านั้นมันมาเกิดขึ้นกับเราเราเราตัดเนื้อร้ายเร กับการหรือว่าจิตใจของเรานั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราแตกต่างกันอย่างไรหรือว่า อ่าถ้าเราไปคิดแต่ว่าเราดีเนี่ยเราๆไปจะไม่มองความชั่วของตัวเองโดยมากเราจะ แต่ว่าเท่าความชั่วของอ่าเอาไปโฆษณาให้ทั่วๆไปปกติของคนที่มีไปเที่ยวโฆษณาอ่าโฆษณาไปทั่วเพื่อ เห็นตามตนเองแต่ถ้าความชั่วของตนเองหรือว่าใครมารู้มาเห็นเราก็จะโกรธเราก็จะไม่พอใจนั้นเรา เราเรามองแต่ความดีเนี่ยอ่าเราก็จะมองไม่เห็นในความชั่วของเราเรา <c oughs> อ่าเราตั้งแต่เราปฏิบัติธรรมหรือว่าเราเข้าวัดสวดมนต์ไหว้มาเนี่ยอ่าเราละอะไรได้บ้างเราทํา สิ่งสิ่งที่ชั่วร้ายเนี่ยเราละอะไรได้บ้างหรือว่าสิ่งที่เป็นความดีนะความดีงามเนี่ยเราทําอะไรอ่าอันนี้เราก็ต้องดูอ่ารักษา อ่าอาวาสวิหารลัญจดีอะไรเนี่ยเราลองสำรวจดูกิจวัตรของเรา <c oughs> เราต้องรักษาความดีไว้ต้องรักษาความดีไว้แล้วก็ต้องทําให้ <c oughs> นั่นปาวินัยหรือว่าศีลเนี่ยเราไว้สํารวจสํารวจการกระทําตํารวจคําพูดของเรา มันเกิดขึ้นทางกายทางวาจาของเราถ้าธรรมอ่าแว่นส่องธรรมหรือว่าเราเอาข้อเนี่ย 27 ข้อเนี่ย ถ้าจะเห็นสิ่งที่เป็นโทษเกิดขึ้นสํารวจอย่างนี้เราจึงเหมือนคนสายตาสั้นเห็นก็มองอะไรไม่เห็นเห็น อ่าดูไม่เข้าใจมองไม่รู้ดูไม่เข้าใจแต่ถ้านะถ้าเราไม่ เราจะมองไม่เห็นมองอะไรก็ไม่ชัดเจนสิ่งที่เป็นโทษที่เกิดขึ้นใน ตนเองว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นมันถูกต้องอ่าคือ เรเราก็จะเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เราพูดนั้นมันผิดมันถูกอย่างไรเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เราพูดนั้นมันผิดมันถูกอย่างไรสิ่งที่เราทํานั้นเป็นคุณ เราไม่เห็นมันชัดเจนเราก็อาจจะด่าคือไม่ใช้พระธรรมวินัยสํารวจ ว่ามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการสํารวจตัวเองด้วยพระธรรมวินัยเนี่ยก็ว่าเป็นเหมือนเหมือนแว่นส่องธรรมหรือเปล่าเป็น สำรวจกิเลสที่ละได้แล้วสำรวจกิเลสที่เหลืออยู่ 5 ประการนี้อ่า 4 อ่าคือญาณที่สำรวจกิเลส ส่วนญาณที่จะสำเร็จกิเลสที่เหลืออยู่นั้นไม่มีเพราะพระอรหันต์สิ้นกิเลสแล้วแต่ทางพระ เราก็สํารวจผลของการปฏิบัติอ่าเช่นเราอ่า ก็เรียกว่าสํารวจมรรคอ่าเวลาที่เรามีแว่น 2 ธรรมก็คือเนี่ยอ่าความระลึกได้ใช้พระธรรมวินัยสํารวจดูคํา สิ่งที่ในที่เราละได้แล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นเรา ก่อนนี้เราไม่ได้รักษาศีลกับปัจจุบันเรารักษาศีล ความคิดของเราถูกต้องมั้ยการกระทําของเราถูกต้องมั้ยคําพูดของเราถูกต้องมั้ยก็เรียกสํารวจ ยังไงก็จะไม่หวนกลับไปทําปาณาติบาตอ่าก็ <c oughs> อ่าเนี่ยจนน่ะล้านได้แล้วมันจะไม่เกิดอีกสำรวจกิเลสที่เหลือกิเลสที่เหลือเนี่ยจะต้องมีญาณญาณที่นี้ ฟังเสียงแล้วเป็นยังไงเห็นรูปสวยเป็นยังไงถ้ากิเลสตัวไหนมันเหลืออยู่มันจะ อ่ากิเลสที่ละได้แล้วเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอีกถ้ามันเหลืออยู่ในพะกระทบมันก็จะเกิดขึ้นอ่าหรือว่าเราพอเรามันอ่าละโทสะ เพราะปฏิฆะคือความหงุดหงิดงุ่นง่านมันก็จะเกิด มันมีความสุขอย่างไรเราดับราคะได้ดับโทสะ ถ้าใจเราไม่ถูกไฟกิเลสแผดเผาเนี่ยมัน เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นพบเป็นชาติมันเวียนเป็นนิจังก็เวียนว่าตายเกิดเดี๋ยวราคะเกิดเดี๋ยวราคะดับเดี๋ยวโทสะเกิดเดี๋ยวโทสะดับเดี๋ยวโมหะ การไม่เกิดและไม่ตายการไม่เกิดและไม่ตายเอ่อบร้อไม่มีเอ่อราคะมาเกิดไม่มีโทสะ นะอันนี้ก็จะมีการสำรวจนะนั้นนี่เราต้องปึกเริ่มทําสำรวจ เอ่อด้วยสมาธิด้วยปัญญาอยู่เสมอเอ่อสืบสํารวจการกระทําของเราว่า พอมันเกิดขึ้นเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าเรายังละมันไม่ได้แต่พอ ถึงพระอนาคามีถ้าเป็นพระอรหันต์ก็จะเหลือญาณ 4 คือเนี่ยจิตมันจะหวั่นไหวทันทีเออคือเหมือน ถ้าเราเอาก้อนหินก้อนใหญ่โยนลงไปเนี่ยน้ํามันก็อ่าแต่ถ้าเราเอาก้อนหินก้อนเล็กลงไปโยน เราใช้อยู่เนี่ยพอถ้าเรามีกิเลสมากเนี่ยก็เหมือนกับว่าๆลงไปอืม แล้วเรากระทบอารมณ์หรือว่ากระทบเสียงที่พอใจไม่พอใจจิตมันก็จะแตกกระจายเหมือนกับๆพอจิตเนี่ยพอเราได้ยินเสียงก๊อกเหมือนกับเราโยนหินลงไป นั้นเสียงเป็นอันตรายก็ตามหลักการปฏิบัตินี้เสียงจะเป็นอันตรายต่อปฐมฌาน อ่ามันจิตเรากําลังสงบอยู่หรือว่าเหมือนน้ํากําลังนิ่งอยู่แล้วมีคนโยนก้อนหินลงไปทําให้ เสียงภายในก็คือเสียงความคิดของเนี่ยอ่าที่ว่าพวกมีมีหูทิพย์นะคือมันจะ กายาสัมผัสหยาบเราได้ยินคําพูดอ่า ภูทิพย์โสดทิพย์อ่าเหลือพวกเจตบริญญาณคือ เพราะอะที่เราอยู่คนเดียวเราไม่พูดในความคิดมัน อันนี้ถ้าเรามีสมาธิลึกลงไปเนี่ยโดยที่เราดับภัสสะภายนอกได้คือ <c oughs> <c oughs> อ่ะพอเราคิดเรื่องอะไรมันจะมีเสียงดังก้องออกมานี้มัน ตะดุ้งรถลงมาเหมือนก็เราโยนก้อนหินลงไปในน้ํา น้ำกระเพื่ยมได้อ่าน้ําก็จะมีความสงบลงไปเรื่อยๆอ่าถ้าเราทําสมาธิต่อเนื่องนะนั้นอ่าทําสมาธิ อ่าคือถ้าเราปฏิบัติเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกเป็นเป็นเสมือนกับครูบาอาจารย์ที่เคยส่วน อ่าไปให้ก็สอบบรมอ่ะเรานั่งไปอย่างนั้นอย่างนี้อ่าเขาก็ๆอ่าอันนั้นเป็นสอบ เพราะธรรมชาติที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันนี้จะเป็นตัวสอบอารมณ์เราจะเป็นครูบาอาจารย์สอบอารมณ์เราอ่าพอเราเห็นรูปแล้วเป็นไงฟังเสียงด่าแล้วเป็นไงฟังเสียงสรรเสริญเป็น คือตัวไหนละได้แล้วเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรในกิเลสที่เหลืออยู่มันจึงจะละแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในคือญาณ 4 ที่ อยู่ในโลกเนี่ยมันก็ต้องสัมพันธ์กับโลกกับธรรมเหลือกิเลสตัว จิตเย็นไหมเป็นสุขมั้ยเย็นมั้ยในเวลาที่เราฟังเสียงด่าแล้ว สํารวจการกระทําของเราทุกวันต้องสํารวจทุกวันอ่าแล้วการสํารวจตัวเองเนี่ยต้องใช้พระธรรมวินัยไม่ใช้ความคิดเห็นของตัวเองไม่ได้ต้องเอา อนนท์ดูก่อนอนนท์ถ้าเมื่อเราตถาคตนิพพานไปแล้วเนี่ยพระธรรมอ่า เราเรียนรู้ไว้เพียงสอบแต่ว่าเราไม่ได้เรียนรู้ไว้สํารวจตนอ่ามันก็ มัธยมาสํารวจกิเลสมัธยมาสํารวจตัวเราอ่านั้นน่ะยุคปัจจุบันเราจะเรียนพระนั้นเรียนรู้ไว้เพื่อตอบปัญหา 9 ประโยคหรือกี่ประโยคก็ตามอ่ามันก็ดับทุกข์ไม่ได้ดับกิเลสไม่ได้เพราะเรียนรู้ไว้เพียงเพื่อตอบปัญหาเท่านั้นไม่ได้ แค่นี้มันก็ดับทุกข์ดับได้อ่าเอ่อศีล 5 นี่ถ้าตามหลักแล้วก็ ไม่สุดศีล e 5 เนี่ยยังสันโดษสันโดษในสามีภรรยาคงต้น 8 อ่าก็จะ จะไม่มีราคะจะไม่มีโทสะอ่าจะจะ 5 ศีล 8 เนี่ยก็ ส่วนศีล 227 เป็นศีลที่กําจัดความโลภนะกําจัดกามกําจัดความ เป็นปาจิตตีย์ทั้งเกี่ยวกับเรื่องการสะสมกําจัดความโลภอันนี้มาไม่ให้เราสะสมอ่า เวลาเวลาที่เราจะฉันเราจะนุ่งห่มจีวรเข้าบ้านนั้นเท่าศีลนะศีลเนี่ยถึง 227 ข้อนะถ้าเรามี เป็นผู้มีความศรัทธาในพระศาสนามากต้องการที่จะพ้นทุกข์พอมาบวชนะพอมา <c oughs> แต่บวชเข้ามาในพระธรรมวินัยแล้วมันยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกเพราะ <c oughs> อือเออมันจะไม่บวชแล้วรู้สึกดีกว่าพุทธเจ้าถามว่าทําไมเธอจึงรู้สึกทําไมราหิกา อ่ามันดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเนี่ยเธอรักษาจิตเพียงอย่างเดียวได้มั้ยอ่าเธอรักษาจิตอย่างเดียวได้ภิกษุนั้นๆอ่าในเรื่องอะไรปราฬิก เมถุนเรื่องลักทรัพย์เรื่องอะไรเหล่านี้อุตริอยู่ในศีล 5 บราจิก 4 ก็ 5 เราว่าเวลาที่จะกําพูดต้องใช้ <c oughs> อ่านั้นมันก็บรรลุมรรคผลไม่ได้นั้นการรักษาศีลเนี่ยเรารักษาด้วยปัญญาคือเจ้าเราจะเคร่งมานะแล้วก็ศีลอันทิฏฐิและมานะเข้าไปอาศัยนะคือศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศีล <c oughs> ถ้าคนรักษาศีลเคร่งครัดอ่าเพื่ออวดเป็นข้อวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดเท่านั้น ธรรมะสารแล้วเกิดความอดอยากกันน่ะเอออดอยากก็ พอเสื่อมจากรากสกาลแล้วต้องการจะล่วงโรคเลี้ยงชีพถือผ้า 3 ผืนอ่าให้ นะบิกราบทูลขอวัดปฏิบัติอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบเจตนาของพระเทวทัตว่าที่กราบทูลขอวัตถุใคร มันเสื่อมจากลาภสกาละแล้วนี่พระเจ้าอัศจตูไม่ 500 จนกระทั่งพระ บรรณาการเลี้ยงชีพอย่างเดียวไม่ให้ฉัน 3 ผืนเอ่อมาให้เอ่อบริโภคเนื้อ ทำลายกิเลสนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตอันนี้การรักษาศีลเช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นการรักษาศีลด้วยทิฏฐิด้วยตัณหาและทิฏฐิเข้าไปอาศัยคือรักษาศีลปวดความเคร่งครัดเพื่อให้คน คิดว่าเป็นความเคร่งครัดนั้นการรักษาศีลของ นั้นแทนที่รักษาศีลแล้วมันจะลดละกิเลสได้มันกลับ มันก็จะเป็นอ่าแทนที่ศีลธรรมใช้ธรรมะเป็น <c oughs> สำรวจคำพูดสำรวจการประพฤติปฏิบัติในแต่ละวันวากิจของเราเราทําอะไรบ้างคําพูด พอเราสํารวจความชั่วแล้วความชั่วมันก็ลดลงไปแล้วความดีมันก็อ่ะต่อไปนี้ก็นั่งสมาธิกันทําจิตใจสงบ <c oughs> เมื่อแล้วเดี๋ยวเราจะได้ยินความคิดของเราเองอยู่กับ